บัดนี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธารชนทั้งหลายสืบต่อไปพระผู้มีพระภาคเจ้าเราทั้งหลายนั้นรับการเฉลิมพระนามว่าพระผู้พิชิตมารหรือวิชิตมารุพรทุทศาสนิกชนนิยมสร้างพระประธานปางมารวิชัย ก็คือปางชนะมารไว้เป็นเครื่องสักการะบูชาในขณะเดียวกันการพยายามปฏิบัติธรรมะตามพระพุทธศาสนาโดยจุดมุ่งหมายในแง่ของปานะคือการลักความชั่วนั้นก็ได้แก่การที่สามารถทำลายมารหรือขจัดมารออกไปอย่างน้อยที่สุดก็ลด ความรุนแรงอำนาจของมารตรงเพื่อสามารถครองชีวิตยอยู่โดยปกติสุขตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆพระผู้มีพระเจ้ า, าได้ทรงแสดงภาสิทธ์ต่างๆไว้เป็นนันมากที่เป็นหลักให้ผู้ประพฤติปฏิบัติสามารถเอาชนะมารได้จะรับสั่งแสดงไว้ว่าผู้ใดจักระวังจิตซึ่งเที่ยวไปในที่ไกล จะไปดงเดียวมีถ้ำคือร่างกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยได้ผู้นั้นจะพ้นจากบ่วงแห่งมานคำประมาณในความหมายนี้หมายถึงผู้เป็นอุปสรรคผู้ทําลาย ผ, นนผู้เป็นน้ำผู้เป็นอันตรายผู้ขัดขวางตลอดถึงเป็นผู้ฆ่าพุทศาสนาได้จําแนกแสดงมานไว้เป็นประเภทใหญ่ๆมีห้าประเภทเดยกันประเภทแรกก็คือกิเล ส, สมาร ได้แก่บรรดากิเลสทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลแล้วจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลตามลักษณะของกิเลสเหล่านั้นเช่นกิเลสสายโลภะเมื่อบังเกิดขึ้นภายในใจแล้วจะก่อให้เกิดความกระสันอยากในอารมณ์ในการไขว่คว้าปรารถนาต้องการดิ้นรนไปสู่อารมณ์ที่ตนใคร่ตนปรารถนาตนพอใจ บางครั้งความอยากที่เกิดขึ้นดุนแรงไปบุคคลไม่ศาสตร์ไม่สามารถจะควบคุมความอยากเข้าไปได้จะมีการประพฤติการกระทําที่ลุกอํานาจแก่ความอยากก่อเกิดทุจริตขึ้นมาในลักษณะต่างๆทางกายปางทางวาจาบ้า ง, า ง, จจางมีผลเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งเกตตนเองและแก่บุคคลอื่นบางครั้งบุคคลสามารถควบคุม อาการข่อยควาปรารถนาดิ้นรนกวัดแหว่งของกิเลสประเภทนี้ไปได้แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถให้สงบไปอย่างสิ้นเชิงกิเลสประเภทตัวนี้ก็จะเกิดขึ้นกรุ่มรุมใจบังคับใจคิดสายไปมีความเร่าร้อนมีความกระสับกระส่ายด้วยแรงปรารถนาเพียงพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของตนที่บังเกิดขึ้น จะควบคุมไม่ได้แต่ก็ไม่มีปัญหาต่อคนอื่นแต่ก็มีปัญหาในด้านสุขภาพจิตของบุคคลดดนั้นมารประเภทนี้เองที่พระเจ้าทรงสดแสดงข้อปฏิบัติระดับกรรมฐานเพื่อจะสยบอำนาจของกิเลสมารในกลุ่มนี้เอาไว้เวลาปรากฏรูปของนิวร์ถ้าเรียกมารกลุ่มนี้ว่ากามฉันทะคือจิตที่มีความกาหนัดและใครพอใจชอบใจยินดีต้องการปรารถนาไขพระ แต่อยู่ในระดับของความคิดหรือไปถึงก็ออกไปทางกายกับทางวา จ, จาถ้าว่าเป็นกิเลสมารประเภทโทสะก็จะมีการกำหนดหมายอารมณ์แต่ลักษณะตรงกันข้ามก็บโลภะคือจะมองในแง่ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจต้องการที่จะเบียดเบียนทำลายตลอดถึงต้องการจะฆ่าสิ่งบุคคลเหล่านั้นให้พินาศไป ความพิตตอนนี้ถ้าความรุนแรงมากและควบคุมไว้ไม่ได้ก็ออกมาเป็นทุจริตทางกายทางวิชาเช่นเดียวกันแต่ทุจริตร้ดันนก็แรงมากแรงน้อยซึ่งเป็นอาการที่ขอให้เกิดพวกอาชญากรรมต่างๆเกิดในโลกตลอดถึงเป็นศึกสงครามรบราฆ่ า, ววากันแต่บางอย่างก็เกิดขึ้นเฉพาะภายในความรุนแรงก็ไม่มากนัก เป็นอาการสายไปของจิตมีการมีความเร่าร้อนมีการแผลดผอมเกิดขึ้นภายในจิตนึกแส่งนึกเบียดเบียนนึกปรทุษร้ายต่อคนต่อสัตว์ที่ตนไม่ชอบใจในขณะนั้นแม้จะไม่เป็นอันตรายต่อบคุคคลอื่นแต่ว่าจิตใจของบุคคลล่านั้นก็ถูกแผลดผอมเกิดความเร่าร้อนในรูปของนิวรณ์ก็สงชัยคำว่าพญาบาด หมายความว่าจิตที่คิดอาฆาตต้องการจะแก้แค้นต้องการจะโต้ตอบต้องการจะทําลายต้องการจะเบียดเบียนร่างพรานคนและสัตว์ที่ตนไม่ชอบเพิงสังเกตว่าความชอบหรือไม่ชอบที่เกิดขึ้นในลักษณะนี้เป็นเรื่องความรู้สึกของบุคคลนั้นไม่ใช่เป็นกฎเกณฑ์ที่มีความถูกต้องสมบูรณ์อะไรยงแต่อาศัยลักษณะทางอารมณ์คือกิเลสเกิดขึ้นเพราะเรื่องใดบุคคลก็คิดไปในแนวนั้น ผพาการคิดอาฆาตพยาบาทผูาาท้สังเกตว่าวัตถุหรือบุคคลที่มีการอาฆาตพยาบาทนั้นอาจจะบริสุทธิ์หมดจดด้วยประการทั้งปวงก็ได้แต่จิตใจของบุคคลที่ประกอบด้วยกิเลสเหล่านี้ก็ไม่ได้มองในมุมนั้นแต่มองในมุมต้องการจะเบียดเบียนทำลายล้างหรือมองเห็นเป็นสัตวสูที่ตัวเองจะต้องขจัดให้ออกไปจากเส้นทางชีวิตของตนเอง ตอนนี้เราสังเกตดูตัวอย่างความมคาดปยาบาทที่พระเทวทัตมีต่อพระพุทธเจ้าถ้าเรามองที่องค์พระพุทธเจ้าแล้วที่จริงก็พระองค์ไม่มีปัญหาอะไรทรงสมบูรณ์ด้วยปัญญาทรงสมบูรณ์ด้วยความบริสุทธิ์ทรงสมบูรณ์ด้วยความกรุณาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเทวะเทวทัตนั้นมีความคิดแข็งดีต้องการที่จะได้สถานะ ของพระพุทธเจ้าต้องการจะเป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าเป็นต้องการความเคารพนับถือาราวสการชื่อเสียงอย่างที่พระพุทธเจ้าได้แต่ว่าแทนที่จะใช้ความเพียรพยายามบักบันมุมาณนะบนเส้นทางที่พระพุทธเจ้าประสบความสําเร็จตกลับคิดทําลายล้างพระพุทธเจ้าจนถึงวางแผนฆ่าพระพุทธเจ้าเพื่อต้องการจะเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองลักษณะอ า, าการที่ปรากฏตอนนี้ท่านสาชนทั้งหลายจะสังเกตว่า มันเป็นอาการของทั้งความโลภทั้งความโกรธทั้งความหลงส่วนความโลภ ก, ก็คืออยากได้อยากเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองส่วนความโกรธก็คือไม่พอใจที่พระพุทธเจ้าได้สถานาะเหล่านั้นความความเพียรพยายามที่จะฆ่าพระพุทธเจ้าเป็นการกระทําด้วยความหลงเพราะที่จริงแม้จะฆ่าไปได้ตัอเองก็ไม่สามารถจะเป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าการเป็นพระพุทธเจ้านั้นเกิดขึ้นโดยความเพียรพยายามจนรสัตรู้ มีปัญญาสมบูรณ์มีความเป็สุดสมบูรณ์มีความปริน า, าสมบูรณ์เป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลนั้นเพราะอาการกิเลสเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นภายในใจของคนจึงเป็นมารเป็นตัวล้างผลาญเป็นตัวทําลายคุณธรรมความดีที่มีอยู่แล้วภายในจิตใจของบุคคลให้เสื่อมถอยลงไปยังไม่มีก็ปิดกั้นความดีเหล่านั้นไม่บังเกิดขึ้นกิเลสมารประเภทโมหะนั้นเป็นกิเลสประเภทที่ไม่รู้อะไรจริง ที่ใจของบุคคลที่ตกอยู่ภายใต้อนาคงกิเลสประเภทนี้จะเหมือนกับเดินทางไกลที่ธุระ ก, กันดาในห ล, ลงป่าสภาพของจิตคล้ายคกับ น, น้ำที่เตื้อด้วยโคลนตนุ่มเป็นมากไม่สามารถจะมองเห็นอะไรจากเงาของน้าได้ที่ใจของบุคคลที่ประกอบด้วยโมหะจะมีลักษณะอย่างนั้นจะมีความคิดฟุ้งซ่านสั้นเล่นไปในรมต่างๆจับจดทากฎเกณฑ์หาความถูกต้องไม่ได้ แ, แสดงออกมาในรูปของความเครื่อบแปรงสงสัยไม่แน่ใจในสิ่งต่างๆสูญเสียความเชื่อมัน่นความมั่นใจในสิ่งที่ตนจะทำจะพูดหรือแม้แต่จะคิดแล้วสนรจิตเหล่านี้ถ้าถึงชาติขั้นของนิวรันก็เรียกว่าเป็นอุตจักขุบุจักคือความฟุ้งซ่านความรำคาญและความเครื่อแครงสงสัย ชีวิตของบุคคลที่ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ตามมันสังเกตว่าเมื่อเราสาวไปถึงที่มาที่แท้จริงแล้วก็ล้วนเกิดขึ้นมาจากกิเลสทั้งนั้นเพียงแต่ว่ากิเลสท่านจะมากหรือน้อยความทุกข์ในแต่ละขณะที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลเมื่อสาวไปก็จะพบว่าสืบเนื่องมาจากความโลภความโกรธความหลงที่เกิดขึ้นภายในใจในขณะนั้นๆ ความทุกข์ที่สืบเนื่องมาจากการกระทํากว่าดีการพูดกว่าดีของบุคคลมีผลเป็นความเดือดร้อนมีผลต่อการพลัดพรากสูญเสียถูกจับกลุมคุ่มขังถูกลงโทษถูกตาหนิตีเตียนเป็นต้นาาพรราะอสาวไปถึงที่มาก็จะเจอว่าเป็นการลุ้นอำนาจแ ก, ก่กีเลสที่เกิดขึ้นกลุ้มรวมใจในขณะนั้นอาจจะเกิดขึ้นจากการเหนียวนำ ก, การตึน่นตัวของตนหรืออาจจะเกิดขึ้นจากมีการกระตุ้นเร่งเร้าจากบุคคลอื่น แล้บุคคลคนนั้นก็ไปสามารถควบคุมความรู้สึกของตัวเองไว้ได้ก็ทําอะไรไปตามหน้าของกิเลสที่เกิดขึ้นกายกรรมมจรกรรมเหล่านั้นก็เป็นการกระทําที่ประกอบด้วยอกุศลมีผลเมื่อการเบียดเบียนประทุสร้ายต่อบุคคลอื่นตัวเองก็ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะสิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นมานที่ล้างพรานตัดดรอนขัดขวางความเจริญก้าวหน้านในด้านจิตวิญญาณของบุคคลเอาไว้ และบางครั้งถ้าหากว่าในการกระทําในลักษณะนี้มากขึ้นในการบุ้นวนในสังสารวัตรก็จะมีการตกต่ําในชาติในในภพที่ตนจอุบัติเพราะว่าภูมิจิตของบุคคลที่ถูกรุมรุมด้วยกิเลส ท, ที่จริงก็ตกอยู่แล้วอาการเหล่านี้บางครั้งตอนน่องได้แสดงเป็นรูปของอุปมาให้เห็นที่ต้องใช้คําเป็นบาลีว่าม น, มนุษย์สเปโตมนุษย์สัติริจาโน มนุษยเทโวมนุษยมนุษโสก็เป็นการพูดถึงสภาพจิตเพาสภาพจิตของบุคคลบางครั้งนั้นตกอยู่ภายใต้นาร้องความหลงมืดบอดในด้านการใช้เหตุผลใช้ภูมิธรรมใช้สติปัญญาออกมาในช่วงนั้นขณะนั้นจะเป็นกี่นาทีก็ตามเแสดงว่าใจนั้นอยู่ในสภาพเดียวกับสัตว์เดรัจฉานคือมีความลุ่มหลง ไม่มีเหตุไม่มีผลอะไรทั้งความคิดการกระทําทั้งหมดก็ลอกเลียนวิธีการของสัตว์เลือดจั๊ดาัจจัยจิตใจที่ถูกความโลภความอยากได้ครอบงำจะรุนแรงไขว่ ค, คว้าปรารถนาไม่คำนึงถึงความถูกความผิดในสิ่งที่ตนจะได้มาสภาพจิตในลักษณะ น, น, นี้คือจิตที่ไม่รู้จักเต็มไม่รู้จักอิ่ ม, มรู้จักพอไม่รู้จักหยุดมุ่งที่จะแสวงหาไขว่คว้ า, วาเพียงเพื่อสนองต่อความต้องการของตนเพียงอย่างเดียว เป็นลักษณะเหมือนเปรตที่มีความหิวโหยไม่รู้จักจบจากสิ้นที่ท่านอุปมาเป็นรูปธรรมว่าเปรตนั้นท้องถ้าผูกเขาแต่ว่าปากถ้ารูเข็มคือกินก็ัยอย่างไรก็ตามจะไม่รู้จักคำมาอิ่มคำมาเต็มคำม า, มำมาพอเป็นการสะท้อนถึงสภาพจิตที่ถูกครอบงำด้วยความโลภว่าความโลภมันเกิดขึ้นแล้วนั้นจะคอยควา้าปรารถนาจนไม่รู้จักคำาพอคำมาจุ เนทรภาพจิตก็เป็นอย่างนั้นเองอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าแม่น้ําเสมอด้วยตันหาไม่มีซึ่งหมายความว่าแม่น้ํานั้นบางครั้งก็สามารถจะเต็มฝั่งได้แต่ว่าแรงใจที่มีความปรารถนาโดยอาศัยการผลักดันของกิเลสประเภทโลภะจะไม่รู้จักคําว่าเต็มคําว่าอิ่มคำว่าพ อ, พอเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าสัตว์โลกนั้นพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตันหาบางครั้งมีความคิดที่ ระทุศรายบ้่งเบียดเบียนเขีนฆ่าทำลายล้างนั้นก็เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นเพราะจิตใจในขณะนั้นแม้ร่างกายรูปร่างหน้าตาจะเป็นมนุษย์ก็ตามแต่ว่าจิตใจก็ตกนรกแล้วคือตกความโกรธแผดเผานให้เกิดความร้อนแรงแต่ในบางขณะจิตใจของบุคคลก็ขึ้นสู่ระดับที่พวามรุนแรงของกิเลสไม่สามารถครอบกรองได้แต่ไม่ได้หมายความหมดกิเลสเพียงแต่ว่า ปริมาณก็สามารถไ ด, ด้เกิดขึ้นไปในจิตใจของบุคคลสูงพอเห็นว่าสามารถใช้เหตุผลในการดำรงชีวิตได้มีการวิเคราะห์ตัดสินเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะยังมีปัญญาความรอบรู้แยกแยะออกไปได้อย่างชัดเจนอะไรควรจะประพฤติอะไรควรจะเว้นแล้วก็สามารถประพฤติสามารถเว้นได้ในขณะนั้นแสดงว่าจิตใจมันก็สูงขึ้นร่างกายเป็นมนุษย์แล้วก็จิตใจเป็นมนุษย์ด้วย แต่บางครั้งจิตใจของเรามีความสงบประนีตสูงขึ่นไปยิงกว่านั้นมีธรรมะเกิดขึ้นคุ้มครองใจรักษาใจเอาไว้ได้เป็นนานมากจนถึงควบคุมความรู้สึกให้อยู่กับธรรมะได้นานๆเชนประกอบบริหารความละอายต่อบาปความรังเกียจบาปขายะแขยงบาปนอกจากจะไม่ทําด้วยกายจะไม่พูดด้วยวาจาแล้วแม้แต่คิดด้วยใจที่เป็นบาปก็ไม่ได้คิดมีความรังเกียจมีความขายะแขยงต่อบาป มีความหวาดกลัวมีความมีความหวาดกลัวมีความสะดุ้งต่อ บ, บาปและผลของบาปเป็นต้นจิตใจประกอบด้วยดีอุตตปะอยู่ได้นานอาจจะเป็นชั่ชั่วโมงหรือหลายหชั่วโมงเพราะแสดงว่าในช่วงนั้นขณะนั้นจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปก็กลายเป็นเทวดาโดยจิตหรือเป็นเทพโดยจิตเพราะจิตที่มีความลายบาปความรังเกียจบากความสะดุ้งกลัวต่บาปนั้นจะเป็นจิตที่ปร่งเบาสบายมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูง ในวัดวันรูปรสากอันตรายทั้งหลายเพราะพลังของหิริอุตปะจกกะกิตกัน้นสกัดกั้นกระแสของบาปของกุศลเอาไว้ตะบางเวลาจิตใจของบุคคลก็เปลี่ยนขึ้นได้สูงกว่า น, นั้นสามารถจะรักษาคุณภาพของจิตได้อยู่ด้วยภายใต้กระแสของกุศลจนมีเมตตาต่อคนสัตว์ทั้งหลายขยายแวดปวงของเมตตานั้นให้กว้างออกไปโดยลาดับ จนกลายเป็นเมตตาในทิศใดทิศหนึ่งแล้วก็ย้ายออกไปในทิตนั้นๆโดยลำดับจนถึงครบทั้งทุกทุกทิศเรียกว่าเมตตาเป็นอั ป, ปมัญญาคือไม่มีประมาณไม่มีขอบข่ายมุ่งมาปรารถนาที่จะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นอยู่อย่างไม่มีภยัยไม่มีเวท ไ, ไม่เบียดเบียนกันแบบปัจจุศลายกันเราขอให้แต่และชีวิตอยู่ดีมีสุขตามสมบูรแก่ฐานะของตนและรักษาสภาพจิตของตัวเองที่กร อ, อ, อบด้วยเมตตาไว้ได้ ไดทราบข่าวได้ยินเรื่องราวคนสัตว์ประสบภัยประสบอันตรายก็เกิดกรุณาจิตขึ้นมาตั้งความปรารถนาที่จะเห็นคนสัตว์เหล่านั้นหลุดรอดจากภัยอันตรายที่เขากำลังเผชิญอยู่ถ้ า, าก็ขวนขวาวด้วยกายากด้วยวาจาได้ก็ลงมือขนขวายไม่กำหนึ่งตั้งความเหือยากลำบากส่วนตน ทราบข่าวได้ยินเรื่องราวคนประสบ ค, ความเจริญก้าวหน้าก็แสดงมุติตาจิตพลอยเพลิดเพลินชื่นชมยินดีต่อความเจริญก้าวหน้าเหล่านั้นทราบข่าวเกี่ยวกับเรื่องราวการกระทําของบุคคลที่เป็นความชั่วความผิดแล้วก็วประสบผลกรรมของเขาโดยการตกจับกลุมคุมขังลงโทษตามประเบื้เมืองเป็นต้นก็ทําใจมัธยัสสงบอยู่ด้วยตระหนักแน่ในกฎของกรรมว่าเป็นสัตว์ทั้งหลายนั้นก็เป็นไปตามกรรมเขาแล้ว ไม้ไปล่อยให้ความยินดียินร้ายเกิดขึ้นครอบงาใจในขณะนั้นได้สแสดงว่าจิตในขณะนั้นก็กลายเป็นจิตที่เป็นพรหมคือร่างกายเป็นมนุษย์จริงแต่ว่าจิตใจก็เป็นพรหมไปและร่างและสภาพจิตเหล่านี้ทั้งสาชนทั้งหลายจะสังเกตว่ามันก็ขึ้นไปได้เรื่อยๆเพราะอ น, นปริยบุคคลทั้งหลายที่จริงรูปร่างกายของท่านก็คือรูปร่างกายเดิมที่รูปร่างท่านเป็นยังไงท่านก็เป็นอย่างนั้นความเปลี่ยนแปลงจริงๆที่อยู่ภายในจิตของท่าน ร่างกายรงเป็นโลกิยะคงตกอยู่ในกลุ่มของทุกข์กุศ์คือมีปัจจัยปรุงแต่งมีการเจ็บไข้ได้ป่วยมีความทุกข์กรมานเกิดขึ้นในลักษณะต่างๆตามเหตุปัจจัยจิตใจของท่านตอนนั้นเองที่เป็นโลกุตระคือหลุดพ้นจากอํานาจของกิเลสอย่างแท้จริงพระุเจ้าเมรุนิพานไปแล้วส่วนรูปร่างกายก็เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาของสังขารทั้งหลายพระพันทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้น เพราะในส่วนรู ป, ปรขันที่ประกอบดินน้ำลมฝอยอากาศมันก็กลายเป็นโลกิยธรรมคือธรรมชาติธรรมดาที่อยู่ในกฎเกณฑ์เงื่อนไขธรรมชาติธรรมดามีหนาวมีร้อนมีหิวมีกระหายมีปวดอุจจาระปว ด, ด, ด, ดประสาทเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเราอื่นเพียงแต่ว่าใจที่ปรญญาศจากกิเลสนั้ น, น, นไม่เป็นเหตุให้ท่านยึดมั่นถือมั่นในขันเหล่านั้นความเปลี่ยนแปลงที่ประเกิดปรากฏเกิดขึ้นแก่ขันธาตุยานตนาทั้งหลายท่านก็รู้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ มันก็เป็นไปตามธรรมชาติธรรมดาของเขาจิตใจของท่านก็จะไม่มีความยึดมั่นถือมั่นเพราะบรรดากิเลสทั้งหลายที่เป็นมานล้างผรานคุณธรรมความดีที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นต้องก็สอนให้บุคคลรู้จักมานโดยความเป็นจริงเวลาราคะเกิดขึ้นก็รู้ว่าขณะนี้ราคะเกิดขึ้นโทสะเกิดขึ้นก็รู้ว่าโทสะเกิดขึ้นโมหะเกิดขึ้นก็รู้ว่าโมหะเกิดขึ้น และมองเห็นโทษของกิเลสเหล่านั้นประจักษ์แจ้งแก่ใจเพียรพยายามลดละให้จางไปคลายไปบรรเทาไปการรู้จักมารนั้นเพื่สังเกตว่ามานบางประเภทที่บังเกิดขึ้นโดยเฉพาะพระเกศปุทตมานพวกนี้สามารถที่จะปลอมแปลงตัวมาหลอกหลอนพระริจ่าทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นได้แต่พอพวกนี้ปรากฏตัวขึ้นมาพระเจ้าก็จะรับสั่งว่าดูก่อนมารผู้มีบาปเรารู้จักขั้น แต่ไม่สามารถที่จะหลอกลวงอะไรเราได้หมายความว่าจะปลอมแปลงมาอย่างไรก็ตามแต่ว่าอาศัยพระองค์รู้จักว่าคนนี้เป็นมารมันก็ไม่อาจที่จะเป็นศัตรูทำอันตรายแก่พระองค์ได้คล้ๆกับพวกเชื้อโรคหรือโร ค, รโรคภยัยการเจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าเรารู้ทั่วทันรู้เท่าทัานในแต่ละขณะที่จริงเหล่านั้นมันเกิดขึ้นก็ ส, นนก ส, าากส่วนหนึ่งก็สามารถป้องกันได้ส่วนหนึ่งก็สามารถบาบัดเจนในตอนต้นได้ แต่ถ้าหากวาความรู้ยิ่งช้าเท่าไหร่อาการของโรคก็จะเพิ่มพูนขึ้นภายในร่างกายของบุคคลมากขึ้นเท่านั้นฉันใดกิเลสจะบังเกิดขึ้นภายในใจก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคือถ้าหากว่าเกิดขึ้นเรารู้กิเลสเกิดขึ้นและกิเลสนี้เป็นโทษถ้าปล่อยเกิดขึ้นจะเป็นพิษเป็นภยัยเป็นอันตรายมากยิ่ขึ้นเราก็พยายามเปลี่ยนพยายามลดละบรรเทาส ง, งบระงับดับไปในขณะนั้ น, น, น แม้จะมีโทษมีความรุนแรงโทษความรุนแรงก็จะลดน้อยถอยลงไปโดยดําดับประเด็นสำคัญอย่างยิ่งก็คือการปฏิบัติให้รู้จักเท่าทันต่อกิเลสที่บังเกิดขึ้นคนนี้อย่างที่ทรงแสดงไว้ในจิตานุปัสนาสติปัฏฐานเป็นการสอนให้บุคคลดูจิตเราในแต่ละขณะเช่นจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะจิตมีโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตมีโมหะ อิปราศจากราฆะปราศจากโทสะปราสจากโมหะก็รู้ตามความเป็นจริงเหล่านั้นรู้แล้วทําอย่างไรในกรณีที่เป็นกิเลสนั้นเมื่อรู้ประจักษ์แจ้งแก่ใจว่าเวลนี้กิเลสไม่บังเกิดขึ้นแต่กิเลสนี้มีโทษการคิดด้วยอํานาจกิเลสก็ดีการพูดด้วยอำนาจกิเลสก็ดีการทําด้วยอำนาจของกิเลสก็ดีนั้นเป็นการเปิดประตูนรกปิดประตูสวรรค์ํต่อตัวเองสร้างความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแม้ในขณะนั้นนั้น ก็จะแาบเพียงความพยายามลดละบันเทาสงบระงับหรือตัดกระแสของกิเลสเหล่านั้นออกไปแต่ในกรณีที่เป็นพวกกุศลธรรมบังเกิดขึ้นก็รู้เท่าทันตามความจริงเวนี้กุศลธรรมบังเกิดขึ้นเราสัมผัสความสุขความสงบความเยือบเย็นที่อาศาัยการเกิดขึ้นของกุศลธรรมเป็นหลักก็เปลี่ยนพยายามเพิ่มพูนขึ้นแล้วก็ส่วนที่มีอยู่แล้วก็เปลี่ยนพยายามรักษาไว้ การปฏิบัติในแนวนี้บางครั้งพระพุทธเจ้าจะส่งสอนในใรูปคล้ายๆกับเป็นเก้าอี้นิรภัยหมายความว่าบุคคลมีสติระลึกรู้พิจารณาเห็นไปจากแจ้งแก่ใจในแต่ละขณะโดยมีปัญญาพินิพิจารณาถึงสิ่งที่บังเกิดขึ้นภายใน ใ, นใจแล้วก็ทรงแสดงหลักการปฏิบัติไว้เป็นสี่เรื่องด้วยกันหรือสี่อารมณ์ด้วยกันประการแรกก็คือพิจารณา แล้วเสพของอย่างนี้รือหมายถึงว่าพวกอาหารทั้งหลายพวกปัจจัยสี่ทั้งหลายนั้นตากว่าขาดการปินพิจารณาแล้วจะบริโภคโดยอำนาจของโลภะบ้างโดยโทสะบ้างโดยโบหะบ้างแล้วจะนำปัญหาให้บังเกิดขึ้นในชีวิตของตนเองปรญธรรมยังไงจึงจะมีปัญญารู้เท่าทันถึงวัตถุประสงค์เจตนากรมและเป้าหมายที่เราต้องการจริงๆ จ, จ, จ, จา ก, การบริโภคใช้สอยปัจจัย4 และบริโภคใช้สอยตามความจําเป็นที่บังเกิดขึ้นเรียกว่าสำเร็จประโยชน์ก็เป็นอันใช้ได้สามารถบำบัดทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการหิวโหวยหิวได้สามารถบำบัดทุกที่เกิดขึ้นจากการปราศจากเครื่องโน้มถ่วที่อยู่อาศัยได้ด้วยโรคภัยไข้เจ็บได้สงสารว่าพิจารณาแล้วก็บริโภคใช้สอยสิ่งเหล่านั้นประการที่สองลักษณะของ บาปของกุศลต่างๆที่บงังเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลทึ่งเป็นกิเลสสมารางกล่าวแล้วก็ส่งสองในให้พิจารณาเห็นว่าสิ่งนี้เป็นบาปเป็นโทษเป็นนัตรายเป็นขวากน้ำเป็นหลุมบ่อตลอดถึงเป็นเหวเป็นนรกต่างๆที่จะนำความทุกข์นานาชนิดแต่บังเกิดขึ้นในชีวิตของเราเพราะจุดเริ่มต้นของกิเลสเพียงอย่างเดียวแต่เราก็ไม่สามารถที่จะตัดให้เขาขาดไปได้ ก็พยายามที่จะงดเว้นไม่เกี่ยวข้องกับลักษณะต่างอารมณ์ที่เป็นเชื่อหรือเป็นพาหะของกิเลสในลักษณะใดลักษณะเด่นอีกอย่างนึงคืออารมณ์มันกระแทกกระฐานมาจากข้างนอกมีลักษณะยั่วยยวยวนจากอารมณ์ข้างนอกของกลุ่มบุคคลผู้มุ่งหวังจะได้ผลประโยชน์จากเราบ้างมุ่งตีทําลายล้างชีวิตทรัพย์สินของเราบ้าง กรณีตอนสังเกตว่าอารมณ์ยั่วยุยวยนนั้นจะเป็นอันตรายต่อบุคคลที่ไปยอมรับอารมณ์หลนั้นถ้าเรายอมรับอารมณ์ยั่วยวนจะสูญเสียทรัพย์สินเงินทองเวลาเวลาไปเพื่อแสดงตอความต้องการของตนที่บังเกิดขึ้นเพราะอารมณ์อันมายั่วยวนในขณะนั้นๆอารมณ์ยั่วยุนั้นจะมุ่งทําลายล้างเป็นหลักอาจจะทําลายทรัพย์สินอาจจะทําลายสามัญคีธรำอาจจะทําลายสถานะหน้าที่การงานกีติยศชื่อเสียงของเรา ถ้าเราถึงทำลายชีวิตของเราผลการด้วยยุที่มาปรากฏในลักษณะต่างๆสังเกตว่ามุ่งจะให้เราสูญเสียสติสัมปชัญญะขาดการควบคุมตัวเองขาดความสมนึกที่ดีงามซึ่งควรจะมีจะเป็นภายในจิตใจของตัวเองเมื่อขาดจิตสมนึกเหล่านั้นแล้วในที่สุดก็จะสูญเสียสติสัมปชัญญะจะมีการประพฤติทำอะไรไปตามแรงที่ยั่ว ย, ยุเหล่านั้น ในสุดภัยันตรายที่ไม่ควรจะเกิดก็จะเกิดขึ้นในลักษณะต่างๆเพราะ ง, งั้นบุคคลก็มองเห็นโทษของอารมณ์ที่ม า, มายุยุและยๆๆุดยวดพยายามบรรเทาความรู้สึกเหล่านั้นเอาไว้ไม่ให้เกิดเป็นความยินดียินร้ายเพราะอารมณ์ที่เรียกว่ายินดียินร้ายจึงเป็นอารมณ์ที่รับสั่งไว้บ่อยๆที่ต้องใช้คําว่าอิทธารมอ น, นิทธารมอิทธารมก็คืออารมณ์ที่น่าคร่ายนะ่าปรารถนาน่าพอใจเราก็เกิดความยินดีในอารมณ์เหล่านั้น อ น, นิธารมณ์ก็คืออารมณ์ที่ไม่น่าใครไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจเราจะเกิดความยินร้ายความไม่พอใจความไม่ชอบใจในอารมณ์เหล่านั้นพระสงสอนให้มีสติยับยั้งชั่งใจปีนิพิจารณาลักษณะของอารมณ์เหล่านั้นแล้วถ้าหากว่าสามารถอดกลั้นอดทนไว้ได้เท่าไรก็ให้อดคน้นอดอดอ ด, อดกั้นอดทนไว้ได้เต็มที่ห้มากที่สุดทันทีจะมากได้เพราะบางครั้งนั้นจะมีแรงกระแทยกระทันมาก ไม่ใชว่ายุ่ยยวนธรรมดาแต่ว่าจะมีการกระทําที่รุนแรงขึ้นไปยิ่งกว่านั้นซึ่งอาจกล่าวได้ว่าอารมณ์บางอย่างก็มีการกระทบบางอย่างก็จะมีการกระแทกบางอย่างก็อาจจะกระทุง่งบางอย่างก็อาจจะกระทำํำคือลงมือทุบตีปราดประหารต่างๆเป็นต้นข้อนี้อย่างที่ท่านเล่าถึงท่านขันติวทีดาบทซึ่งประสบกับอารมณ์ทุกระดับ ในความมันในชั้นแรกก็จะมีการด้วยโยกมีการกระหน่กระแด่มีการด่าว่าเปรียบเลยซึ่งก็เพียงแต่ได้ยินถ้าใจไม่รับมันก็ไม่มีปัญหาะอะไรถ้าใจยับก็มีปัญหาหน่อยแต่บางทีก็ลงมือคือไม่ใช่ว่าพูดเฉยๆหรือแสดงอาการขยันเฉยๆแต่ลงมือลงไม้ไปทุกตีไปหยิกควนไปนำของสกปรกไปเทละมนศีรษะเป็นต้น ดึงกันตีวัธีดาบผลทั้งก็ทนได้พอถึงจุดหนึ่งลงมือลงไม้ไปทุบไปตีไปทําอันตรายกันจริงๆแต่ทั้งก็ทนได้นั่นแสดงเห็นว่าลักษณะของอารมณ์ที่มากระทบนั้นไม่อยู่ระดับใด ร, ระดับหนึ่งเราอาจจะทนอารมณ์ระดับหนึ่งได้แต่พอถึงระดับหนึ่งมันเกิดทนไม่ได้กันติก็กลายเป็นขันแตกไปในสุดจิตใจก็จะอ่อนไหวไ ป, ไปตามน่ากังกิเล การฝึกปลือในแนวนี้จึงต้องฝึกปลือมากเป็นพิเศษเพราะเราเลือกอารมณ์ที่มากระทบเราไม่ได้อารมณ์เปนน็นมากที่มีความจงใจเกลืออรอนโยโยยุโยวยวนนั้นที่จริงมีความจงใจของผู้สร้างอารมณ์เหล่านั้นขึ้นมาแต่เราขาดขันจิตธรรมเป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจแล้วก็จะอ่อนไหวไปได้ง่ายลัษณะาอารมณ์อีกประการหนึ่งนั้นเป็นเรื่องของจิตใจที่สายไปเรื่มหน้าขงกิเลส คนนี้มันสังเกตว่าตามปกติแล้วความจึกนึกคือความคิดของคนเราในแต่และวันเนื่องจากสภาพแวดล้อมต่างๆที่เราเกี่ยวข้องสัมผัสกันอยู่หรือสื่อต่างๆที่ถ่ายทอดมาสู่ทางตาบ้างทางหูบ้างจะมีลักษณะของการยั่วยุยวนเป็นแกนหลักคือจะมีอารมณ์แนวนั้นมากเป็นพิเศษเพราะประสบการณ์ในชีวิตประจําวันของเราจึงรับอารมณ์ในแนวนั้นมาก ถ้าความคิดความอ่านของคนจะหนักไปในเรื่องเพิ่มกิเลสประเภทโลภะหรือเพิ่มกิเลสประเภทโทสะขึ้นที่พระเจ้าทรงใช้คําว่าอากุศลมิตกเคยจะสึกนึกถึงสิ่งที่ตนใคร่ตนปรารถนาตนพอใจบ้างสึกนึกด้วยความไม่พอใจความอาฆาตแค้นความจริงชังความไม่ไม่ไม่ยินดีตลอดถึงการปฏิสไรจองล้างจองผ่านกันในความคิดที่ มุ่งเบียดเบียนมุ่งประทุษร้ายมุ่งความปิบัติเกิดร้อนต่อกันอะไรกันจะมีความคิดแนวนี้มากผู้มีปัญญาจะต้องตรวจสอบว่าความคิดเหล่านี้เมื่อพอเริ่มคิดตอนนั้นเดีมันก็ร้อนแล้วคล้ายๆกับไฟคล้ายๆกับพิษคล้ายๆกับสา ว, วุธทั้งหลายคือจับพอเริ่มจับตอนเดีมันก็เสี่ยงแหละหรือเหมือนพวกอนสนรพิษทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยคือพอแตะพอใกล้ไกลหน่อยเดียวก็เริ่มจะมีอันตรายแล้ว ก็ทรงสอนให้มองเห็นโทษแล้วก็พยายามลดละบัรเทากิเลสประเภทต่างๆที่ันเกิดขึ้นภายในจิตใจซึ่งแสดงว่าการต่อสู้กับพวกกิเลสสมาวนั้นจะมีข้อปฏิบัติหลายระดับด้วยกันจะเราสรุปเ ร, เรียงอีกทีหนึ่งว่าเป็นศีลสมาธิปัญญาบ้างเป็นฐานศีลภาวนาบ้างแต่อย่างนั้นจะต้องมีการประพฤติการกระทาที่มีความต่อเนื่องเพิ่มปริมาณของธรรมะ เพิ่มความเข้มข้นของคุณสมบัติคือศีลคือสมาธิคือปัญญาขึ้นภาในจิตใจของบุคคลในมากยิ่งขึ้นจะมีความเป็นดวงตัวเองที่จะเรียกยันหนึ่งว่ามีปัญญาคุ้มครองตัวเองมีปัญญาที่ดักษาตนเองได้แน่นอนเราคงอยู่ทำกลางอารมณ์เหล่านี้อยู่ตลอดไปคือไม่สามารถที่จะทิ้งอารมณ์เหล่านั้นได้ อารมณ์ในโลกที่เรียกว่าโลกิยอารมณ์นั้นก็คืออารมณ์อย่างนี้แหละตระหนักวเจ้าก็มีอารมณ์อย่างนี้แหละไม่ได้เคยเปลี่ยนแปลงอะไรพวกอารมณ์นั้นเพียงแต่ว่าจะมีความเข้มข้นสูงขึ้นมากหรือน้อยแต่นั้นเองนี่การประดับประดาปรุงแต่งมีรูปแบบเงื่อนไขต่างๆมากขึ้นหรือไม่แต่นั้นแต่สรุปแล้วอารมณ์ก็จะมีลักษณะยั่วยวนให้เกิดกิเลสประเภทราคะประเภทโลภะ เยอยุย้ยให้เกิดกิเลสประเภทโทสะเยอยุ้ยยุ้ย้ยยยยยนะเกิดกิเลสประเภทโมฆะหรือเกิดความประมาทต่อตานี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป